ทำไมองค์หนึ่งจึงสอนอย่างหนึ่งแต่หลวงพ่อเคยบอกเคยกล่าวกับข้าราชกาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองบอกว่าการหาเงินมีหลายแนวทางทําไร่ข้อโพดก็ใช่ได้เงินยางพาราก็ได้เงินทํานาเกีย่ยวทํานาทําข้าวก็ได้เงินมันสังสมปรหลังก็ได้เงิน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 แก้วเป็นกระจกขึ้นมาอย่างตะกอนไม่เคยมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเชื่อว่าอธิธฐานของผู้บริสุทธิ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกแล้วย้ำอีกว่าแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่นของพวกเราเป็นสายของพระอรหรันต์เพราะว่ากระดูกขล้องขั้นที่อยากไปท่านก็ได้แปลเปลี่ยน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 พระของเราก็ศินส2งรยยี่ิบเของคราว่าก็คือศิลห้าสินอุโบสถคื อ, อโบสถ์สินคือศินแปดอันนี้คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเมื่อพวกเรารักษากายวาจาเรียบร้อยแล้วกายไม่มีโทษว่าจาไม่มีโทษเพราะใจคิดไปในทางสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องการแสดงออกทางกาย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 เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจเปลี่ยนอริยบทในการเดินการยืนเดินนั่งนอนคือการภาวนาเพราะนั้นเราจะเดินยงกรมก็คือเป็นแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ได้ถวาให้เปลี่ยนอริยบทในการเดินเดินให้นทำยังไงเพราะนั้นก่อนที่เราจะเดินเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหวครูซะก่อนคือไหวพุทธพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวพุโทโธ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 แต่โดยมากจะเอี้ยวขวามากกวา่าพอเลี้ยวขวาเนี่ยพอเลี้ยวขวาจะเริ่มตั้งแล้วก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพทุพทโถพุทโถเดินจงเดินเหมือนกับเราเดินตามปกติแล้วก็มาถึงสุดทานยังกรมแล้วก็เลี้ยวขวาอเอี้ยวขวาอีกตั้งแล้วก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพทุพทโถพทุพทโถพุทโถนี่แหละ ว, วิธีการเดินยังกรมแต่หลงปู่มั่น